พอวัดปฏิบัตินั่นจิตของพระคือข้อวัดปฏิบัตินั่นหมายถึงจิตของคารวาสเขาอีกกาวันมี 108,000 ประการหาประมาณไม่ได้จิตพระนี่ตายตัวตามหลักธรรมหลักวินัยมันมีมาจนเหลือกําลังแต่ส่วนมากพระเรา ปฏิบัติไม่ได้อือทําพระปฏิบัติไม่ได้ก็มีสาคคายที่ปฏิบัติให้ได้ข้อวัดปฏิบัติเมื่อก็มาเอาความง่ายออกหน้าออกตาอันก็ไม่ได้ยุ่งอะไรถ้าเอาธรรมออกหน้าแล้วมันก็มีปฏิมีปัญญา มีความภาคเพียรมีข้อวัดปัจจุบันอันดีมาประจำตนเลือกซ้ายมองขวามีสติทุกทางพูดประโยคใดมีสติควบคุมรู้ความถูกผิดดีชั่วหนักเบาควรหรือไม่ควรแก่บุคคลหรือสถานที่เช่นไร อ่าเอาทําออกหน้าส่วนมากไม่ค่อยผิดฐานแม้ผิดนี่ความผิดวิสัยก็น้อยน้อยแต่ความไม่มีสติความไม่สนใจเอาความที่เกลียดที่รังออกหน้าความบ่นแถออกหน้าซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสกิยาอาการแสดงออกมาจึงนับเป็นเรื่องไม่น่าดูกิเลส ทางขบการถันพระขบฉันตัณหันอะไรต้องสวยมากตามเสถียวัตรท่านบอกไปแล้วมันถึงใจเข้าประกฏบรรทนะดินก็เป็นโทษน้ําก็เป็นโทษเดินก็เป็นโทษนอนก็เป็นโทษพูดอะไรมาก็เป็นโทษมันจะหาคุณที่ไหนคุณเราพระเรา ธรรมะข้อก็คือไม่มีปฏิกิริยาทางธรรมะวังสิ่งที่ผิดให้ถูกกันใดไม่รู้สูง 4.5 อือผู้ถึงในความสวยงามทางมายาอันเคลื่อนไหวกันมาอะไรทั้งนั้นยิ่งกว่าพระซึ่งได้หลักการประพฤติมาจากหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้เลิศเกญอ่อนสุดในโลกนี้ ทำไมน้ำพาแล้วก็พร่ำน่าเกลียดที่สุดอืมว่าจะควรทําตัวให้ดีแต่ทําให้เลวไปเกลือในนี้มันดูไม่ได้ในสายตาของผู้อื่นตลอดทั้งประชาชนทั่วๆไปพระเป็นผู้รักษาหน้าบรรดาความสวยงามทั้งภายนอกภายในให้เหมือนคารวะทครับ ทำมีหน้าที่รักษาอย่างเดียวรักษาตัวเป็นสําคัญรักษาใจมันมีสติแล้วพยายามมายากการแสดงออกมันก็น่าดูเองเพราะแปลเป็นผู้บงการการผู้แสดงออกทํามารยาทมันพูดคําด่าทําครูความถันก็สวยงามทําอะไรก็น่าดู ต้นนี้สายะมันแค่ยากนิสัยมันง่ายนิสัยมุ่งมานกะกะกามัยแค่ไม่ตกถ้าลงติดนิสัยแล้วมันก็ยากฝึกหัดไม่แต่ต้นมันเถอะยากต้นนิสัยไปแล้วเลยไม่ผลการเลอะเถอะไปหมดไปถ้านี้สถานที่ใดก็กําลังเสียคนหน้านี้การปลดฐาน ทั้งผิดระเบียบทางการปฏิบัติของพระนี่มันมีที่ไหนสู้ได้ระเบียบอย่างไหนเป็นไปตามนั้นน่ะไม่น่าดูได้แล้วน่ะเราฝึกอยู่ไม่ใช่เราจะให้มันเป็นตามใจของเราชอบแต่เราเป็นไปด้วยกิเลสธรรมของพระพุทธเจ้ามันมีกิเลสต้องฝึกตรงใส่ธรรม ก็ทำมรรคฝึกมาเพื่อหัดต้นน่ะมันมันจะน่าดูงานท่านหมอจะทำทำใหญ่ขึ้นไปขึ้นเรื่องตุ่ยนัวอืมก็อยู่กายเราก็เคยทำอย่างนั้นมาแล้วที่มาบวชเป็นพระของมนุษย์แต่เอามนุษย์ดูมาช้ามันไม่น่าดู เราตามเอาตามหลักธรรมวินัยว่าอย่างไรมันพอเราก็เอาอย่างนั้นน่ะอันนั้นเป็นนิกายองค์ภารวาทอันนี้เป็นนิกายของพระมันต่างกันเราจะไม่สังฆภารวาทมาช้านึกได้ต่อนิกายของพระที่มีธรรมวินัยผู้ศึกษาธรรมวินัยเป็นที่น่าดู คนขบขันเทียวก็ไม่ได้มันดังเสียงกว่ําค้างกว่ําค้างคนอื่นฟังถึงดําค้างอันนี้เกิดปากกับหูแล้วเพราะประกอบกันยังไม่ได้ยินพอรถอาหารมันเหยียบย่ําทําลายหมดสลบสลายไปไม่ได้ยินเสียง 6 เสียงกระทบกระดังขนาดไหนเจ้าผู้อื่นฟังมันดําค้างตอนนี้คานธรรมในบาปไม่เหมือนกันสําหรับ เป็นกําแบบทั้งรับไม่ได้ไอ้ตัวหน้าท่านนิยมถันมือเดียวมันจะท่านกันมั่นเป็นหลักสําคัญทํามือเดียวถ้าอันใดที่จําเป็นที่จะใช้ 2 มือก็ใช้อยู่ในบ่าแล้วยกขึ้นมาข้างนอกเป็นม้วนผักอะไรเหล่านี้จากขึ้นมาม้วนม้วนนี้อยู่ข้างข้างบนบ่า หายที่ของมีอะไรทางคนเห็นหม้อหืออะไรใครเนี่ยปะไปเค้าเห็นหม้อว่าเพราะความเศร้าความทรุณนิโรธไม่มีสักตัวมีอะไรอยู่ด้วยป่ะเวลาที่ฉันยกขึ้นมาเค้าเห็นหมด มันก็ดีที่อย่าไม่ดีเห็นอะไรเห็นเฉยคนชั่วเห็นที่น่าเกลียดหน้าเอืองหน้าอาอันนี้เราเคยสอนพระสมัยนั้นโสทท้ายโสทขวาหินแกงลิ้นจะปะหินจะรสจะชาติไม่หินจะทําเพิ่งเป็นเรื่องให้ยืมตัวเท่านั้น ต้องการความอร่อยของรถอาหารยิ่งกว่าความอร่อยเอ้อเออของธรรมงั้นรถอาหารก็เหยียบย่ําทำลายธรรมมาขณะที่ฉันก็ทำลายธรรมเป็นภาษิตต่อธรรมต่อเวลาเป็นภาษิตต่อวิญญาณของเราเวลามันหาความดีไม่ได้เพราะเรามีสักนั้นล่ะเป็นของสําคัญ นัตตมณัตูลุที่อาคมหืมมากๆมากๆถ้าเข้าไปกําลังมากมันเลิศเถอะนะอืมทํามากมันเป็นอย่างนั้นไม่ว่าอะไรจะมากเห็นเฝ้อเป็นเฝ้อเป็นต้นในหน้าดูทุกวันนี้มนุษย์เฝ้อ หาพันธุ์ง่ายเหมือนกับผักกับปลาดูสิไม่มีธรรมบาทยกิฏารณิฐข้างนั้นแล้วกิฏารณิฐข้างนั้นแล้วอืมมันเฟ้อกิไกก็เนาะบันโหดร้ายเป็นตัวเพราะไม่มีธรรมเขาแสบสินใจเข้าผู้อื่นแล้วถือเป็นความดีความชอบถือว่าเป็นความถูกต้องอืม อกความโกรธความแค้นอันเป็นเรื่องของกิเลสทางให้ทําจนนี้รู้สึกตัวว่าสิ่งนั้นผิดเพื่อขอคุณภาพเราบ้างเป็นยังไงรับรองนะขอพลาดนั้นน่ะเราไม่อยากทายด้วยกันทั้งนั้นแต่จะทําเข้าได้ลงคอหรือเป็นธรรมดีนี่ตรงนั้นธรรมที่เกี่ยวกับธรรมกิเลสก็ได้สังหารและทําลายใคร สูงกว่าใครเกลียดชิงกว่าดีแต่ธรรมะเป็นอย่างนั้นเลยดอกอันนี้สมภารภรรยาจะทําบุคคลให้มีความสุขภารและร่วมยืนกันยิ่งกว่าทําเมื่อผิดไปหมดให้อภัยตลอดทั้งสัตว์นี้เป็นฌานก็ไม่ทําลายไม่เบียดเบียนเขา มุ่งแต่ขอเศร้ามุ่งดำขอของเราชีวิตของเขาของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยให้แผ่เมตตาจิตแก่บรรดาสัตว์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันไม่มีใครยิ่งยอดกว่ากันในเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายมีแต่ทํากรรมไม่ควรจะเบียดเบียนกันทําอะไรอะไรจะเลียดยิ่งกว่าธรรมของพระพุทธเจ้า อาการขาดธรรมใจก็หดทร้าทารุณความโลภก็มากมากวันมากทั้งทุกข์มากทั้งทุกวันเพราะยินดีเพราะส่งเสริมความโลภทั้งโลภทั้งโอกาสทวีรุนแรงขึ้นทุกวันทุกวันความโกรธก็มากราคะปัญหาวก็ครอบคลุม ความลืมเนื้อลืมตัวพอมากมีกันมากเบิกของไม่เป็นท่าหน้าแต่งของปกติหน้าเลยผมหาคุณค่าไม่ได้มากด้วยสิ่งที่จะให้เกิดความถูกใจตนไม่ได้ใครเคยได้ความถูกเพราะความโลภเราลองหาดูสิถ้าทําของพระพุทธเจ้ากลับไว้คิดไป อะไรเพื่อความถูกความสบายเพราะความโลภเพราะความโกรธเพราะความดื้อเนื้อลิงตัวเพราะราคะตัณหากามไม่เห็นมีที่ไหนเห็นจะเป็นไฟไปด้วยกันทั้งนั้นถ้าปล่อยให้ถึงอย่างนี้ออกนาออกตาไม่บังคับบังท่านมันพอให้มีพอเกิดบ้างแล้วมันก็เป็นไฟประการดีเผามนุษย์ดอนผู้ส่งเสริมมันมันก็เหยียบย่ําลงไป วิชาของพระนักปฏิบัติเราก็เทียบกันได้อย่างนั้นทําไม่เคยยอมสอดรู้สอดเห็นความคิดความตรงอันเป็นเรื่องของกิเลสที่แทรกขึ้นมาภายในใจมันก็สามารถสร้างทุกข์พันในจิตใจได้นี่นะความทุกข์เพียงเดียวกับภาระว่าของ ท่านจึงสอนให้ปราบสอนให้รักสอนให้ฆ่ากิเลสเป็นโกรธังคัตตวาสุขังเสติเป็นต้นถ้าความโกรธได้ร้อยอยู่เป็นสุขนั่นท่านไม่ได้บอกว่าส่งเสริมความโกรธให้เป็นที่แล้วเป็นสุขท่านว่าโกรธมากโลภมากคุณราคะตัณหามากคนลืมรู้ดมตัวมากคือผู้รักเหมาทุกข์นั่นเอง ทุกมีใครรับเมาอมหมดผมหาความสุขไม่ได้เราอยากเข้าใจว่าคนมันเป็นนั่นนานจะมีความสุขจะเข้าใจว่าพวกสิทธิ์ที่เป็นทีจะมีความสุขถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องปลุกครองจิตใจและปกครองสมบัติแล้วสมบัตินั้นแหละจะกลายมาเป็นถูกเป็นไฟเผาตัวของมันไหมทั้งเป็นนั้นอืมเป็นปื้นเป็นไฟภายในจิตใจ<อ> มีใครที่เคยรู้แจ้งเห็นจริงในโทษและคุณของสิ่งนี้น่ายิ่งกว่าพระพุทธเจ้าอันนี้โทษเป็นพระไถแล้วเป็นหนึ่งสั่งสอนบรรดาสัตว์ทั้งรู้สิ่งใดเป็นโทษสิ่งใดเป็นคุณหากจะประมาทสัพพบัตินี้ทองทั้งไม่ประมาทเพราะโลกนี้ก็สิ่งนี้ธาตุธรรมเรา โลกียธรรมนี้ประกอบอยู่กับความพอดีหรือกับประมาณมีความฉลาดในการเฝ้าหาเนี่ยติดกับตาตลอดถึงการเยียอย่านํามายังจิตของตนให้ถูกทางอย่าให้มันเป็นกิเลสเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเพราะการเฝ้าหานั้นๆถ้ามากมันไม่เป็นอย่างนั้นทีนี้ แบบแนวคือหลอดเวลาติดไคลของโลกของคนนี่จะหาความจุ๋ยเหนือเจอจะหานี่ทั่วทั้งโลกเมืองอันโลกอันนี้อยู่นี้มี <c oughs> 4 ประเทศด้วยกันแต่ละประเทศมีคนจํานวนสัก 4 ล้านรวมเข้าทั้งหมดถ้าประทานว่าใครกันมีความสุขทําไม่เจอ อยากจะพูดด้วยแม้ราดิโอถ้ามันมีธรรมเข้าแทรกหัวใจมันอยู่ธรรมเป็นเครื่องปกป้องรักษาด้วยการปฏิบัติธรรมเราได้หักคนทุกคนตนคงมีคนเท่านั้นแล้วกระดกทุกข์เพราะความมีความเป็นของตนธรรม ผู้ปฏิบัติธรรมแทนที่จะเป็นการนั้นกลับคงค้างความทุกข์ความจนก็เห็นได้อยู่แล้วว่าในโลกวนิจังทุกขังอนัตตาผู้มีก็มีผู้จนก็มีเราก็จนได้มีได้แต่สําคัญการปฏิบัติตัวเองให้เลี่ยงเลี่ยงจากสิ่งที่เป็นภาระตามนิสัยของตนท่านเป็นสิ่งชอบธรรมนํามาซึ่งความเกิด เฉพาะอย่างยิ่งครับด้วยนักปฏิบัติเหล่านี้ยิ่งไม่มีงานอื่นใดพอที่เป็นการส่งเสริมกิเลสขึ้นมาด้วยถือเอาความจําเป็นเป็นต้นเหตุหรือเป็นโน้บบางหน้าเหมือนอย่างบางโรคทั่วๆไปความจําเป็นของเราก็มีการละกิเลสโดยภายเดียวเท่านั้นละกิเลสด้วยวิธีใด พอเข้าตาก็ทรงสั่งสอนได้หมดแล้วถ้ามีที่เกี่ยวอ่อนแอเสียอย่างอยู่ที่เห็นแต่แต่กิเลสมากกว่าเห็นแต่ธรรมต้องดําเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าได้เต็มที่เป็นสมาธิก็ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรเรียนให้จนติดปากติดคอ แต่อ้อมพรหมจรรย์จริงๆไม่เคยปรากฏเป็นสมบัติของตนได้แม้ทั่วขณะหนึ่งอยู่อย่างมีชัยมาได้เลยแบบกับความเรียนความจดความจํามาไว้จนหัวใจจิตเล่ไม่ลดน้อยลงแค่นิดนึงมีดําทั้งยังเป็นภูเขาไฟทั้งรูปเผาอยู่ในหัวใจการปฏิบัติธรรมต่างๆ <c oughs> เรียนรู้แล้วปฏิบัติเพราะนักบวชนักปฏิบัติอย่างนี้ก็คือการเดินจงกล่อมนั่งสมาธิภาวนามีสติต่างๆสติสัมปชัญญะแนบกับตัวทั้งหมดอารมณ์อะไรผ่านเข้ามาจะต้องผ่านมาทางหินการทั้งหมดด้วยกายแล้วเข้าไปสู่ใจใจถ้ามีสติอยู่แล้ว ต้องสร้างเครื่องเอาเองนั้นว่าเป็นอารมณ์คิดหรือถูกประกันได้จะเป็นอารมณ์เครื่องส่งเสริมกิเลสด้วยรวมเป็นเครื่องส่งเสริมธรรมมันก็รู้แต่ส่วนมากเป็นอารมณ์ส่งเสริมกิเลสเพราะมันยังมีกําลังมากสติปัญญาไม่ทันจึงต้องฝึกสติปัญญาขึ้นด้วยความตั้งอกตั้งใจ Mastavang ha phá tui minh hầm lăng ca m'an. Thảo na hai giang ngục, có bền na hai, tha dịch mi sa ti. Khoi phuộc cung, tai dù sa m'an. Maka m'an k'o lau te. Liêng ui liêng khuấy. Tho ngay, thong na nai. Thong ca chá lai, ca pho ngay, ca lai m'an lai. Ngay m'an ti ploie, minh tay ta man p'o jay hong m'an. ไม่จะต้นที่ไหนมันก็ไม่เจอไม่ทราบไปที่ไหนแกผมตำบลบัดไม่ถูกกันจิตที่ปล่อยตัวหรือว่าเวลาก็เช่นเดียวกับปล่อยหัวออกจากคอกก่อนถ้าถอนหน้าออกจากคอกแล้วเจ้าของไม่ติดตามมันติดตามดูนั่นเองถึงไม่ดีกลัวล้างไปกินให้เงียบก่อนจิตที่มีความรักษาของตะของด้วยสักถึงมีแล้ว ก็สมอบพร่าทําไมมีอารมณ์อะไรเป็นเครื่องขัดขวางเนื่องจากจิตจะไม่สามารถที่จะเฝาะเพียรหาอารมณ์ให้เป็นพืชเป็นฐานได้เนื่องจากปฏิบังคับบัญชาอยู่น่ะทําให้จมอบสงบได้เมื่อสงบเป็นสมาธิแล้วก็เป็นสมาธิสมบัติขึ้นในตัวของเราอ๋อทําได้ไม่เชื่อ เห็นได้ทั้งตัวเห็นได้ทั้งความจริงคือสมาธิสงบบ้างน้อยอย่างไรก็รู้ว่านี้เป็นหมวดพิจิตรเพราะนาทีแค่อยู่ที่จิตความจําแค่อยู่ที่สัญญามาที่แค่อยู่ที่ศีลอันอย่าสักผิดเวลาแยกแยกอยู่ภายนอกภายในมันเป็นภพของปฏิกูลโสกะ มันสังทุกข์ทั้งร่างตาแบบแต่กองทุกข์กันทั้งหมดทั้งคืนทําไมจะพิจารณาดูทุกข์ไม่ใช่ทุกข์ไม่รู้ทุกข์ตามความจริงของมันความปัญญาได้สอบสอดออกไปตรงไหนน่ะมันต้องรู้มันมากกว่านอกการเกิดตายก็คือการแบบความทุกข์อยู่ตลอดเวลานั่นเอง เวลามากี่พบพิชาติก็หาทุกข์มาเท่านั้นพบเท่านั้นครับแล้วถามกันมาทําไมเบือนหน่อยในความทุกข์ในความเกิดตายแล้วเราก็ต้องควรจะกําหนิติเตือนทุกข์ให้ควรไปบนด้วยความว่าเป็นทุกข์ผมนี้เราไม่ต้องการการต้องการจะแก้ไขที่ไหน ปัญญาก็จําได้ก็มีกําหนดตําราที่เป็นชื่อของปัญญาทั้งนั้นแต่ปัญญาในตัวเราไม่มีโง่เหมือนควายหนักกําหนดโหมดในสําหรับกําหนาอปัญญาในความฉลาดและคมอย่างนั้นน่ะแต่ตัวผู้จํานี่โง่เหมือนควายสวยความความโง่นั้นมันก็แค่กิเลสได้กิเลสเหลี่ยมคมยิ่งกว่า หืออะไรแสหลมคมนี่กว่ากิเลสนะว่าที่เลิศมันต่ําแต่มันอยู่บนหัวใจคนมันยากแต่มันอยู่บนหัวใจที่ละเอียดละเอียดได้น่ะมางั้นเห็นว่ากิเลสมันไม่ได้ต่ํามันอยู่บนหัวใจคนนั้นไม่ได้ยากมันอยู่ได้ทั้งส่วนละเอียดอะไรก็ละเอียดซึ่งกว่าคิดทําเลยซึ่งเป็นของละเอียดยิ่งก็เลยเข้ามีได้ไม่ถึง ธรรมกับที่ตนาของกิเลสธรรมกับที่ตนาของธรรมทีสมาธิปัญญานิโมทนิโมติยาทัศนะหากามกิเลสความโลธความโกรธความโลหะโลภะมูลโทสะมูลโมหะมูล กิเลส 1,500 1,800 จําได้มั้ยมันร้อนเปียกที่มันร้อนมันร้อนปอดทุกคนมันกิเลสอือมันร้อนปอดกิเลสมันอยู่ที่ใจนี้จําชื่อมันกันกําลังมันจะไปหนังถลอกอะไรกิเลสมันกันนอนสบายเราไปจําแต่ชื่อของมันมันมาแปะท้องกิเลส มันมีการจะพบกับเถื่อนบ้างพลหลอกมันก็เป็นสุขที่อยู่กับคนที่เกียจอยู่คนอ่อนแรงที่นี่อยู่สะบานอยู่กับคนหนักในธรรมอยู่กับคนความขยันหมั่นเพียรในการบําเพ็ญมีกติตั้งตัวอยู่เสมอมีบรรดาใครคนสมุนที่เด็ดร้อนอย่างนั้นอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางต้องบกนั่งสอนนี้ มันนั้นปัญญาถูกปัญญาสร้างกันไปปัญญาจึงต้องฝึกปัญญาฝึกสติให้ดีไปให้ทันกับสิ่งนั้นเมื่อสติปัญญาพอตัวแล้วที่เรียกมีสักกี่ประเภทเรียกขนานไหนมันพ้นวิสัยของปัญญาไปด้านเลยก็ต้องขาดกันเดินไปหมดไม่มีมันเข้าใจว่าสติกับปัญญาเป็นสิ่งสําคัญมากทีเดียว <c oughs> ในการปฏิบัติธรรมสภาววิยะอันนี้เป็นเครื่องสนับสนุนมาติก็เป็นผลของการรักษาเป็นผลมาจากสติถ้าจิตไม่มีสติก็คําบังคับจิตให้สงบไม่ได้จะมีทางบทใดว่าบริกรรมมันก็หลอกนี้ไปหมด เมื่อกรรมอยู่เต็มๆเมื่อพูดถึงความรู้สึกไปอยู่โลกอภัพเนาะจักรวาลไหนก็ไม่รู้ถ้ายังมีสติถ้ามีสติแล้วทํากัมมันทํางานก็เป็นงานเป็นการแล้วเป็นผลปรากฏขึ้นมาปัญญาปัญญาจําหน้าไม่ใช่ปัญญาเพิงคิดซอกแซกคิดซะด้วยอุปายะนิสัยของตนรายหลายๆนั้นเพียงปัญญาจะให้บอกไปหมดไม่ได้ เพราะปัญญาน webs กว้างขวางมาก estados สิ٩แก Moran เวตีครั้งอะไรกันจะที่บัตรมา равด diary ปัญญาพูด Fortunately ไม่ถูกเลย มันน้อยcar-heau คงไว้ nårปัญญา格น้อย hatred smiled Fred Digital ี้ companies Dominic, depicted they had a problem cake-ãy RCAD, CCC, ผอด y非常的 Relax, the sweet resource 語 Spencer Sham lied, ไม่มีอะไรเร็ว Piggy�, où I send them คือ patio, Parent Dá, Cinnit, out of fame to be theatre in a creative world พรати fence from theā to nine to nine district ความเหรา zurück forward แล้วสติมันตามลงไปเลยเค้าลงถึงขั้นปัญญาถึงหมดแล้วสติกับปัญญามันแค่นั่นเดียวลงไปเลยผมพร้อมไม่พร้อมมันมันแยกกันรู้สึกมันก็ตามแล้วพอแนวแล้วปัญญาที่น้องเนี่ยที่แรกมันก็เป็นสติเรื่องดูครวญโดยละก่อนแต่ถึงเข้าใจว่าจิตเป็นสิ่งที่ถูกขัดได้สติเป็นสิ่งที่อบรมปัญญาเป็นสิ่งที่อบรมก็มีกําลังแก่ครับ สามารถได้โดยไม่สงสัยและที่เรียกจุดนอดประจักษ์ใจได้ด้วยอานาตของสติปัญญาสภาวะความเพียรนี้โดยมันสงสัยเหมือนกันขอให้มีความเพียรเกิดการเกิดตายนี้น่าเอื้อนอายเราอยู่กับโลกเกิดตายมาเท่าไหร่เกิดก็ทุกข์เป็นอยู่ก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์เวรนอนเสื่อมหาเกิดก็เป็นทุกข์ไม่มี พระความทุกข์ไม่เจอที่ช่องไหนอืมอนันตรยะอยู่หาช่องไม่ได้เพราะที่มีมีความสบายนี้มีการเกิดถูกเป็นต้องเป็นอย่างนั้นทุกขังอนติอัจฉาตสักอทุกขาติคุณะปุณณเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ไม่หยุดนะทุกขังอนติอัจฉาตสัก ผู้ไม่เกิดทุกข์ย่อมไม่มีนี้ทุกข์ทุกข์ไม่มีแต่ผู้ไม่เกิดนะไม่เกิดเป็นรูปเป็นร่างเป็นภาชนะสมกับทุกข์ทุกข์จะไปประจกครั้งได้อย่างคือแท้จริงแน่ไม่มีภาชนะก็เหมือนเราโยนของออกไปในอากาศนี่ไม่มีอะไรรับมันก็ตกลงดินดินก็เป็นภาชนะอัลลอฮ์ฟารี สติให้มีการตามติดไปทั้ง 2 พยายามฝึกหัดคมคิดชอบแฟนด้วยความตั้งใจนี้สติเป็นเครื่องรับขาไปตลอดเวลาจิตๆเวลาพรรณนาออกเดินออกทําหน้าที่จะเข้าใจปริ เป็นรักเป็นตอนเถอะเหมือนสมาธิสมาธิที่มีแต่ความสงบสงบเนี่ยมันไปเต็มที่ในสมาธิแล้วก็อยู่แค่นั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงสมาธิทํานามจริงๆไม่ใช่คุยอะไรผมสมถะที่เป็นสมาธิอยู่เต็มเปเปเป 2 ถึง 5 ปีไม่สนใจจะออกไปทางด้านบรรดามันเข้าใจว่าความรู้นี้เองจะเป็นนิพพานเลยเอา อาหนุมะทําไมไม้ทั้งต้นมาปลูกบ้านปลูกเรือนเลยเนี่ยอภิจิตก็เป็นเพราะกิเลสตัณหาวิชชามาเป็นนิพพานได้เนี่ยเพราะไม่ได้ที่ขาดไม่ถามไม่ถามไม่เลยคือในสิ่งที่จองปองทั้งหลายออกให้มีแต่จิตล้วนๆอันเป็นคู่คนแก่นิพพานนั้นก็เป็นนิพพานไม่ได้ ธรรมะที่เพลิดความอันปานนี้โอ๊ยมันเกี่ยวโยงมันไปหมดอือถ้าเรามีแต่จิตนี้นี่เราจะเป็นนิพพานนี่แหละจะเป็นนิพพานนี่แหละจะเป็นผู้บริสุทธิ์มันเหมือนจะดึงไม้ทั้งไม้ไผ่ทั้งลํามันเกี่ยวโยงมันอยู่กับกิ่งนั้นมั่งถ้าสมมติเราตัดนี่แต่ถ้าดึงให้ลงคาดเดียวมันไม่ลงนี่ผู้มีปัญญาก็มันเกี่ยวโยงอยู่กับกิ่งนั้นมั่งมันถึงไม่ลงมันก่อนตรงไหนมันถึงไม่ลง ปั้นถึงนั่นแขนงนี้ที่มันเกาะมันอยู่มันก็ตึงมาเลยเมื่อมันหมดสิ่งที่เกี่ยวข้องแล้วใบหูไม้มันหนักอยู่แล้วมันทําไมถึงไม่ลงตูมลงถึงดินเลยจ้ะเนี่ยติดก็เหมือนกันคําว่าสมาธิตัวนั้นอย่าแค่ไหนก็ตามมันอมอภิเลศไว้ทั้งหมดโตอุปทานมันยึดทั้งหมดเลยในส่วนหน้าการอย่างละเอียดไม่รู้ผันทั้ง 5 รูปมันก็ยึดดูแบบสมาธินั่นแหละ เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็มีอุปทานแบบสมาธิผิดกับอุปทานทั่วๆไปที่ไม่เคยมีสมาธิแต่เราไม่สร้างเหมือนก็มีสติมีแต่ความรู้ล้วนๆอยู่นั้นแหละมาเวลามาเพ่งคลายออกดูด้วยปัญญาถึงได้รู้ชัดเออคุณพระเลยถึงเห็นแจ้งชัดเจนแล้วจิตมันปล่อยรูปคลายนี้ถึงรู้ว่าโอ้มันแท้ ก็มีนี้ไม่รู้จริงท่านกี่อันก็ไม่รู้นี่เราถึงจะเห็นคุณค่าของปัญญามันแยกมาแยกนี้ไล่ที่นี่มันฝังตมนั้นออกไปถึงไม่รู้เวทนาสัญญาสังขารนิยานเหมือนกันติด ก็มีแค่ปัญญาทั้งนั้นถึงแยกแยกหน้าเพียงสมาธิแยกแยกหน้าเฉลยนั่งสมาธิปิดถึงก็คิดถอนขึ้นมาความทุกข์ทั้งหลายแล้วก็ตาก็ขึ้นมาเสียครับสมาธินั้นระงับทุกข์เหล่านี้ไม่ได้หรือแยกทุกข์ออกจากใครไม่ได้ถ้าเป็นปัญญาแล้วได้น่ะคนรู้คือไม่มีทางไปเอ้าทุกข์ขนาดไหนเราที่จะรู้ จิตมันความของมันไม่หยุดไม่ถอยเหมือนกับคังหันที่เรามันอยู่เป็นธรรมจักรเวลามันทุกข์มากๆในร่างกายนี้จิตจะนอนใจไม่ได้ต้องขุดค้นด้วยปัญญาเพื่อจะให้รู้ความจริงที่มันเราจะทนทุกข์อยู่เฉยๆมันไม่เกิดประโยชน์ไม่ใช่มรรคต้องสู้กันด้วยปัญญาจนเห็นเพื่อนอย่างนี้อย่าง 1 ทุกข์โกเวทนาบัดไปเล่นมีอะไรอีกเนาะ 2 <ม. S> 1> ทุกขเวทนาก็เป็นทุกขเวทนาปิติเป็นปิติต่างอันต่างทีต่างอันต่างทีไม่กระทบกันแม้จะทุกขณันท์ไหนปิติก็ยิ้มได้สบานสบานเฉาะไม่เข้าถึงกันน่ะยังสังขารหนึ่งอย่างนี้มันก็มารวมอยู่อันนี้แหละยังความหมายนั้นหมายนี้มันก็รวมพิจารณาในนี้อะไรก็ต่างขึ้นขันธ์ 5 มันจะเกี่ยวยุ่งถึงกันไปหมด ปัญญาสอดแทรกเข้าไปเรื่องเข้ากับกันเข้าใจเข้าไปเหมือนกันถึงแม้ท่านอยู่อีกกิจล้วนนั้นพอแก้สังนิไปแล้วมันยิ่งล้วนยิ่งกว่าสมาธิอีกทีมันยิ่งละเอียดอ่อนยิ่งปรองสายยิ่งกว่ากิจที่เป็นสมาธินี่นะฉะนั้นมันก็ไม่พ้นที่มันจะมีของปลอมอยู่ภายในนั้นเป็นไกลปัญญาจะเข้าทําลายได้ ความแปลความละเอียดนั้นมันเป็นจักขุหลายตัวลงไปแล้วถึงจะเห็นความจริงของจิตอย่างเป็นภูมิจิตแท้เป็นอย่างไรอืออ๋อจิตแท้เป็นอย่างนี้เมื่ออ๋อจิตแท้เป็นอย่างนี้แล้วณขณะเดียวกันอ๋อความบริสุทธิ์เป็นอย่างนี้และท่านตั้งตัวนิพพานเป็นอย่างไร ความบริสุทธิ์ที่ไหนนิพพานก็อยู่ที่นั่นเพราะนั้นก็เป็นที่ความบริสุทธิ์ของอินทรีย์ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ธรรมชาติที่เป็นการแท้คืออันนี้แหละไม่สงสัยเมื่อเคยรู้เป็นมาแต่ก่อนเพียงไรต่างๆพอเข้าพบกันอย่างจังๆนั้นไม่มีห่าสงสัยไม่ต่างคิดผิดโกสัมปชิดโกอันนี้หมายถึงว่าตันตุกโกเต็มภูมิตันตุกโกโดยสมบูรณ์ สันนิคคมะโดยลำดับอดับนั้นก็โยคใหญ่คือฌานที่เป็นสมาธิกว่าฌานสติกิจนาอะไรเข้าใจแล้วถอนไม่แล้วละได้แล้วเป็นลำดับอดับข้อทราบถ้ามาเป็นลำดับที่มีความไม่เยือกอ่อนขนาดไหนข้อทราบเป็นสันทิธิโกทั้งนั้นแต่พอถึงขั้นนี้แล้วก็เป็นสันทิธิโกเป็นขุมมาเป็นขุมงั้นปัญหาก็หมดพระมหาฐีมหาปัญญา หมดหน้าที่ผมเนี่ยอาจารย์ว่าพระอรหันต์ท่านเมื่อท่านถึงขั้นนี้แล้วท่านจะไม่สําคัญส่วนว่าท่านมีสติท่านตื่นและก็สติท่านนํากระตุงประจัญเพราะคําว่ามีสตินั้นก็เป็นสมมุติคําว่าขาดสตินั้นก็เป็นสมมุติความบริสุทธิ์เป็นภูมิแล้วนั่นคือความจริงสติปัญญาเป็นสมมุติทั้งนั้น เพราะเป็นเครื่องบูชากิเลสที่เป็นสมุทรด้วยกันเป็นสมุทรทั้งฝ่ายมะเป็นสมุทรทั้งฝ่ายสมุทรไทยมาตอบถอนสมุทรไทยเอาไว้หมดโดยซึ่งเธอไม่มีเหลือแล้วสติปัญญาอันเป็นองค์ภักดิ์นี้ก็หมดหน้าที่ไปแม้เรียกว่าดําเนินมาแม้เรียกประชัติปัญญาแก่กิเลสสติปัญญาก็เป็นธรรมดาธรรมดาสติปัญญาของผู้บริสุทธิ์ไปทีนี้ เวลาจะท้าท่านทดท้าไกลกองนี่อะไรวะเมื่อถึงเวลาจะตั้งรับกับเรื่องอะไรทั้งหมดตั้งเนี่ยนั่นตั้งก็เป็นความรู้สึกธรรมดาทิ้งเท่านั้นมีเท่านั้นถ้าจะเที่ยวพวกมากก็เหมือนกับว่าเสือที่ตายแล้วเล็บมันก็ยังมีเขี้ยวมันยังมีหนังมันยังมีลวดหนังมันยังมีสิ่งที่น่ากลัวทุกอย่าง มันเป็นสมบัติของเสือนั่นน่ะมีครบโดยทั้งบูรณ์เป็นแต่เพียงว่าเสือนั่นตายแล้วจิตแล้วเป็นเสือตายแล้วมันจะกัดคนได้ที่ไหนจะกลัวหรือจะกล้าบอกมันก็เป็นเอ่อได้กลัวหรือจะกล้าคืออันนั้นไม่เป็นประการทํากลัวความกล้าพอมันตายแล้วมันทําอันตรายไม่ได้ อันถ้าฝ่านั้นคือไม่มีความกลัวจึงไม่คําว่ามีสติไม่มีสติข้อนั้นไม่ถูกแนวสติไม่ใช่สติมันเป็นเรื่องของงมุงยุ่งกรรมหมายเฉยๆไม่ใช่เป็นเรื่องจําเป็นนี่เรื่องพอดีเหมาะสมทั้งมีอยู่แล้วโดย ชොบุ ไม่มีอะไรที่จะไปเพิ่มเติมกันอีกแล้วพอให้มีปฏิให้มีปัญญาอันนี้ใช้เฉพาะการเท่านั้นนอกจาก ท่านมีเหตุเพิ่นเกิดอธิกรณ์เขาต้องร้องว่าท่านเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผู้เจ้าท่านทรงรับรองด้วยความมั่นสติญี่ปุ่นละไม่ควรจะไปเกี่ยวข้องไปร้องร้องท่านภูนังองค์นั้นท่านเป็นผู้มีสติญี่ปุ่นละคือสติภาวูก็สติท่านวางอยู่วางความรู้คือท่านบริสุทธิ์แล้วนั่นแหละผู้มีสติอันบริบูรณ์ ความหมายสุดแล้วนี้คือความพ้นจากสมมุติสภาวะทั้งปวงการท้องร้องอะไรอธิกรต่างๆนั้นเป็นเรื่องของสมมุติมันเข้ากันมาได้กับวิมุตติของท่านผู้ในนั่งว่ามันคิดนั้นเป็นมหมะแต่เราต้องหาให้เป็นประโยชน์อะไรพระพุทธกาลท่านมีพระพุทธเจ้าอยู่กันสมัยที่วันนี้ไม่มีเป็นสติวินัยหลั่งอะไร อีกกล่าวให้นี่รักธรรมถ้ากล่าวที่ที่พูดมาทั้งหมดนี้เป็นธรรมะก็สดร้อนรนกิเลสก็สดร้อนรนรุมกับเราตลอดวันอืมมันล้าสมัยไปที่ไหนกิเลสน่ะความโลภก็เป็นความโลภความโกรธความหลงคงเส้นคงวาเป็นกิเลสที่ตาธรรมชาติทั้งปวงแต่ไหนแต่ไรมามันล้าสมัยไปไหนดูดิ แล้วธรรมะที่จะมาแก้กิเลสนี้จะละที่ไหนที่นี่ศีลสมาธิปัญญาคือความตรงคือมรรค 8 โยมัคคิมาปฏิปทางั้นสมัยนี้กิเลสปรากฏเครื่องเมืองเหล่านี้ทายด้วยมัคคิมาปฏิปทานี้หยิบหากระจัดกระจายกลับก็ทังไปด้วยเหล่าทั้งหลายด้วยมัคคิมาปฏิปทานี้แล้วมัคคิมาปฏิปทานี้ทําไมจะละสมัยแก้กิเลสไม่ได้ มันกิเลสมันก็มีอยู่ในปัจจุบันทําแบบนี้ก็เกิดขึ้นในปัจจุบันธรรมชาติกันไปธรรมดาก็หาความบริสุทธิ์ไม่ได้เพราะตัวขัดตัวพวกอัตมุธรรมที่วิทยาศาสตร์ได้ชอบแล้วหนักหนีไม่รับรองเป็นนิยามนี้กับธรรมนําผู้ปฏิบัติให้พ้นกับทุกข์ไปได้เดิมดับจนพ้นกับทุกข์โดยเด็ดขาด ธนมนฑูรถามพระพุทธเจ้าท่านคงถ้าพระมุนิฉลาดเพราะว่าพระมุนิโง่ถามนั้นไม่ได้นะถนูดฉลาดมากเป็นปุถุชนวิถีอย่างหนึ่งที่คืนถามพระเจ้าเพื่อได้แง่ความคิดนั่งที่ 1 ท่านเสียไม่ได้ตรัสกําหนาว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้วนานเท่าไหร่เพราะผลนิพพานมันจะหมดกระสิ้นไปเมื่อธมานนมีถามโง่นี่ล่ะนะความ ทำทั้งหมดที่สรุปลงแล้วเป็นมัชฌิมาปฏิปทา 8 นี้เราถามก็สอนไว้เพื่อแก้กิเลสให้สิ้นไปแล้วก็เพื่อพระนิพพานขณะเดียวกันถ้าผู้ยังมีความแน่หนามมันคงอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทานอยู่แล้วพระนิพพานเราหรือพระอรหันต์ไม่สิ้นจากโลกอนันต์แต่ถ้าไม่มีผู้ถึงกัน ปฏิบัตินี้แม้ขณะนี้ก็ไม่มีหมรรคผลนิพพานเกิดเกิดแก่โทษนั้นขึ้นมาไม่ต้องพูดถึงการหน้าการหลังเลยเพราะเกลียดมันเป็นสมหัวใจคนถ้าคนแก้มันก็ไม่หมดไม่คิดน่ะคือตรงนี้คือคืออ่ะเดี๋ยวเรามาละอออธิบายกันครับ